การศึกษาแบบโล ก, โลกเป็นสมมุติแต่ว่าการศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นปรมาทแล้วในชีวิตเราก็มีสมมุติมีปรมาท ด, ด้วยความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปรมาทความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมาท เราจะอยู่ในแต่นในโลกแห่งความเป็นสมมุติโลกแห่งความสมมุติมันเป็นโลกมายาสาไถไม่จริงยั่งยืนเป็นโลกเพลิดเพลินพาใจไม่ได้โลกคือกายขวางศอกยาวานาคือโลกคือหมู่สัตว์โลกคือท้องฟ้าอากาศ อันมันก็เป็นโลกอันน่แต่ว่าโลกชีวิตของเราที่เราจะอยู่เหนือโลกคืออยู่ในโลกแห่งปรมาจิสามารถที่ทำได้ฝึก ข, ขัดจนเหนือการเกิดแก่เจ็บตายไม่าดปฏิบัติ <c oughs> เป็นภาพจริงจังไม่ใช่ภาพพิสดีไม่ใช่ภาพนิยายเรื่องราว เราเราลููแต่เรื่องราวไม่แต่เรื่องพุทธศาสนาเราเล่ากันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประวัติของพระเจ้าประวัติเราพระสาวกประวัติประเทศอินเดียอมันแค่นั้นเองไม่ใช่จริงเราควออรจะเป็นเรื่องธรรมะไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรื่องราวเขาอว่าดดูอา ด, ดู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 เอากายเป็นนิมิตสติมันก็ไม่มีตัวเป็ตนตนแต่ว่ามันก็สามารถลู่ได้จริงๆเป็นเราทิกมือยกมือเคลื่อนไหวมือหรือการเดินจงกรมหรือการหายใจนะมันก็สามารถที่จะลู่ได้กับการเคลื่อนไหวกับทิตพิณนั่น น, นให้ตั้งอยู่ ให้มันจะหลุดไปทั้งอื่นก็กลับมาตั้งไว้เรามีความเพียนตรงนี้ความเพียนคือการทําอย่างนี้เพียนที่จะลู่เพียนที่จะตั้งไว้ที่เก่าที่เก่ามันจะมีหลายเรื่องที่มันจบพัดหลงไปพอไม่เป็นไรมันก็ธรรมดามันก็มีความหลงหรอกจึงมีความลู่พอมาเป็นของคู่กันความหลงอาจจะมากกว่ความลู่ทําใหม่ใม่ ออกจากความหลงที่มันหลงไปทางกายทางจิตทางตาทางหูมันก็หลงเยอะแยะวัตถุที่ทําให้เกิดความหลงก็ไม่มากในตัวเราเนะเราอาจจะใช่มากๆใช่ความหลงมากมากเกี่ยวกับความหลงความหลงเป็นผู้บงการความหลงเป็นใหญ่แม้บางที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 มีสถานที่มีกิริยามาีลักษณะเป็นรูปแบบเขาก็จะว่าสมมูล ม, มาตั้งไหวมาสร้างมาตั้งจังหวะก็มีมือก็มีมือเป็นกายในภาษาในพื้สูตรว่ามีสติเห็นกายแ้วว่ากายคือทั้งหมดตั้งแต่เท่าจุดศีสะัะจุดปลายผมแล้วว่ากายกายหยา ภาษาบาลีเรียกว่ากายญานุปัสนะภาษาบาลเราเรียกว่ากายมีสติเห็นท่านว่าได้ว่ามีสติดูมีสติเห็ น, น, ส, ต ส, ตหนสตินี่ใช่เป็นศัพท์ทั้งดูทั้งเห็นคำว่าดูคือคือมันก็เฉพาะหน้าให้เห็นผ่านผ่านสายตาอยู่เสมอถ้าดูมันก็มีการเห็น แล่วเมื่อมันเห็นมันก็ไม่เห็นเฉพาะกายนะแต่ว่าเห็นแว่นตาที่เราอนั่งอยู่เราลื่นตาอยู่อะไรที่ผ่านมาทางหน้าเราก็ต้องเห็นเมื่อเราจะดูอ่ในเมตดจักอันหนึ่งแต่ว่าเราลื่นตาดูเมื่อมีสิ่งต่างๆผ่านมาทางหน้าเราก็เห็นเราดูอันนี้แต่ว่าไม่เห็นอันอื่นได้วางรู้สึกตัวนี้ประมาณกันมันเป็นตาอาจจะลอกขั้ว อาจจะโลดรอบหัวตาเนื้อด้วยซ้ำไปตาเนื้อมันเหมือนแสงไฟฉายไปทางเดียวถ้าดูไปข้างหน้าข้างหลังก็ไม่เห็นอถ้าดูไปข้างหลังข้างหน้าก็ไม่เห็นถ้าดูไปข้างข้างหัวข้าง้ายก็ไม่เห็นไปทางเดียวตาเนื้อแต่ว่าตาในเปเสถีเนี่ยมันจะไปรอบรอนจะโลดรอบรอบร พอรูกายเคลื่อนไหวเวลามันคิดมันก็รู้สึกมันเห็นความคิดแล้วเราก็กลับมากลับมาหากายเนี่ยจะไปมันจะดีขนาดไหนก็จะไปเวลานี้เราไม่ได้มาคิดเราไม่ได้มาดูอะไรเราไม่ได้มาเอาสุขเอาทุกข์เอาผิดเอาถูกความผิดความถูกก็พาให้เราหลงได้ความสุขความทุกข์ก็พาให้เราหลงได้ความชอบความไม่ชอบก็พาให้เราหลงได้ความรักความชังก็พาให้เราหลงได้ความ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 ห้าวันเก็วันบ้างให้ขอให้มีสักครั้งหนึ่งเถอะชีวิตเราเราก็อยู่กับกองหลงมานานแล้วบางทีชีวิตเรานี่แบ่งให้อยไรอื่นมากมากแล้วแบ่งให้โลกแบ่งให้ล้านแบ่งให้หมูให้เม็ดแบ่งให้บุตรปัญญาสามีแบ่งให้ร้านให้การแบ่งให้การเวลาแบ่งให้ความรักความชังแบ่งให้ความชอบไม่ชอบตอนนี้เราเรามาโลกมาให้แบ่ง ชีวิตที่ไม่ต้องแบบมาให้เป็นตัวสติให้สตินะชีวิต ท, ทั้งหมดให้สติจะเคลื่อนจะวิ่จะทำอะไรก็ตามพยายามที่จะให้มีสติให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาววาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็รู้ได้ทั้งหมดเรารู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยได้ทั้งหมดของกายของใจ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 มันก็ไปจากความลงอยู่ทุกขณะก็ารู้เท่านึงก็สำเร็จแล้วรู้เท่หนึ่งก็สําเร็จแล้วม <c oughs> ันไม่มีอขั้นตอนที่หนึง่งที่สองที่สามฉันชื่อว่าความรู้นะไม่เหมือนเราทํางานทานําการเราปลุกข้าวเราต้องไข่ต้งหวานต้องไปปลกต้องไปดําต้องใสน้ำเข้าเอาน้ําออกต้องไปเก็บไปเกี่ยวต้องไปอนวดไป ผลอะไรตัวหนึ่งมาซีมากินนย่งนานนะเราก็เรื่องต่างๆหลายขั้นตอนเราก็ทําได้แล้วเราก็ทำได้เลยเรื่องของควารู้สึกตัวไม่มีขั้นตอนสําเร็จแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโล่โล่โ ล, ล่นะพรมันส ะ, ะดวกสะดวสร้างความรูเสึกตัว ไม่เหมือนกับตอนแม่แต่เรากินข้าวม้นก็ยังไม่สะดวกเข้ากับความรู้สึกตัวต้องเอาเมอต้องมีกิริยาท่านนั่งต้องเอามอสองมือด้วยห้าเนิ่วดสิบนิ่วด้วยต้องไม่ปากต้องไม่าพาชนะต้องไม่อาหารต้องไม่การเขี้ยวอีกแล้ว เปิดใจอิ่มก็โอ้ยเหนื่อยเลยลกินข้าวเราก็ทําได้สําเร็จกินข้าวจนอิม่มความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ฝันนั่นหรอกเป็นสุดรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวผ ม, มรู้สึกตัวเราอยังมองข้ามความรู้สึกตัวยังมองข้ามมันยิ่งใหญ่มากนะมันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราผมรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันยิ่งใหญ่ลองดูในชีวิตเราเนี่ย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 ทุ่มเทชีวิตจนตายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้กันหรนะอกนานๆจะทั้งนั้นจะคิดได้ว่ า, ว า, วาแบบแบบงูช่างสวัสดิ์งูแรลบลิน้นมันไม่พอหรอกเราต้องให้โอกาสมาปฏิบัติมาสร้างมาประกอบมาสัมผัสมา่อมาจุม่มเอาแล้วก็เราก็พยายามสร้างเสียงแวดล้อมให้ดีๆแล้วก็ช่วยกันด้วย ช่วยกันจริงๆอยู่ยนี้อาจารย์ทรงศิลพาทำพาทำจริงๆไม่ไดเรลี่ยวะจะไปถือว่า <c oughs> ให้รีดให้เข็ดให้หลบับจะไปเป็นเรื่องเข็ดหลบับการเข็ดหลบับในการทําความดีมันไม่ถูกต้องการเข็ดหลบับในการทําความชั่วมันน่าน่าจะเข็ดหลบับเช่นความโกรธคนได้จะเข็ดหลบับรู้จะเข็ดจกหลับเสียว่า แต่เราก็ยังไม่รู้ไม่รู้จักเข็ดหละ่ะบางทีก็ชอบด้วยหาเรื่องที่จะโกรธถ้าได้โกรธเรากลืมไม่ลงก็ลืมไม่ลงลื ม, มล ง, ลมลงถ้ากูดได้โกรธต่อตายเขาก็ไม่ลืมถ้ากูดได้โกรธก็ต้องด่ามันอะไรต่างๆไปหน่อยไม่รู้จักเข็ดหลับมันไม่มีประโยชน์นะแต่นี่ความรู้สึกตัวการมาสร้างความดี อ, อย่าไปเข็ดหละ่ะให้กระตือหรือล่นในการกระตือหรือล่ น, ล ม, นลมีความเพียร มีความเพียรมีศรัทธาอาศัยศรัทธาเชื่อมัน่นทำดีมันก็ดีจริงๆทำชั่วมก็ชั่วนะสิ่งเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่น้อยเราก็มีศรัทธาแบบนี้คำดีมันก็ดีคำชั่วมก็ชั่วเรามีสติมันก็ไม่หลงนความหลงโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะควอมรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยไปคนละทางหันหลังให้กัน ความหลงพาไปสู่ทุกข์ความไม่หลงพ า, พาไปสู่สุขติเราสวดอบาปนําไปสู่นรกบุญนําไปสู่สุขติความหลงนั่นก็คือบาปความรู้คือบุญไว้อยู่ในมือของเราเนะี่ยอยวไปมองไกลต้องเริ่มตรงนี้บุญคือความรู้ตัวบาปคือความหลงตัว ความหลงฝ่ายเราโกรธเพิความหลงฝ่ายเราทุกความหลงฝ่ายเราเลยมีปัญหาความรู้สึกตัวเนี่ยลงตัวไม่เป็นไรมันจึงว่าเป็นเป็นบุญเริ่มเจอตรงนี้เป็นบุญน้อยๆถ้าจะเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์น้อยๆถ้าจะเป็นในพานก็เป็นในพานน้อยๆถ้าเป็นความเย็นอะไรมันเย็นอย่างะี้เรีนแบบสัมผัสอย่าไปคิดเ่า แล้วเน่บุญก็พากันคิดเอาสวรรค์ก็พากันคิดเอาเนพฟานก็พากันคิดเอามันก็ไกลตัวออกไปความคิดเนี่ยมันไกลการเห็นเนี่ยมันไกลๆอย่างคิดเห็นเนี่ยมันไกลการพบเห็นมันอยู่กิดไก ล, กลเราเห็นมือเสลื่อนไหวมือวางไว้วางเขา่ารูดรูดทั้งรูดทั้งเห็นด้วยพเพชรเสลื่อนรูดทั้งเห็นด้วยเนี่ยเห็นอยู่จริงๆนะเห็นมือแต่มันเพชร ตั้อยู่ย่ขึ้นก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่รู้อยู่นะมันศักดิ์สิทธิ์นากเพราะว่าที่ดูที่เห็นที่รู้สึกตัวนะั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์คือมันสาเร็จนะมันรู้มันรู้อยู่ถ้าลู้ก็ไม่ลงแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แบบออกะเหเดินอากาศการเดินมนอกาศไม่ศักดิ์สิทธิ์การเดินในาน้ามไม่ศักดิ์สิทธิ์การเหยียบบนไปฝืนแผ่นดินเนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่า ผ่านหมู่ไม้ผ่านก้อนกวดก้อนเห็นผ่านน้ำข้างผ่านอะไรนี่มันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั่นใจขว่าที่ไปเดินบนน้ำเดินบนอากาศนะอย่าไปคิดที่มันเป็นอะจินไตสิ่งไหนเป็นอะินไตพุทธเจ้าห้ามคิดห้ามพูดห้ามทำวังทีเราจะไปอยากได้ฤทธิ์ได้เดชไปสวรรค์อยู่ที่โ น, น่นจ่นี้วาดมโนภาพไปไม่ใช่สวรรค์มันต้องเป็นปัจจตัง มันต้องเห็นได้เดี๋ยวนี้ในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนในตรงตรงกำเนิดเกิดขึ้นแห่งพระศาสนาแห่งพทธิยานแห่งพระพุทธเจ้าแห่งศีลแห่ง ส, งสมาธิปัญญาแห่งมรรคผลนิพพานก็าตั้งต้นจากตรงนี้ในหมู่ชาวพุทเราอ <c oughs> ย่างอย่างไม่น้อยในหลักของภาวนาเนี่ยมีแต่นี่แหละทาเป็น จริงจังเป็นโครงการต่อเนื่องในโรงพยาบาลเวลําโรงพยาบาลเฉยภูมิเนี่ยหลวงพ่อเลยว่าพุ่มค่ากับ ว, วัดป่าสุขระ ต, โตูในในอกในผู้ที่มาปฏิบัติต่อเนื่องในโครงการต่อเนื่องมาศึกษากันจริงๆมากันเป็นอตรงมาสายตรง <c oughs> พอเขาพายว่าภูมใจไม่หวังนะผู้เที่หนึ่งผู้ที่ยสองผู้ที่ยงสามบอกแค่พิกมือขึ้นลูดสุดตัวยกมือขึ้นลูดสุดตัวก็ใช้ได้แล้วสามสิบสาแล้วเขาจะาปะเจริญเวรเหมือนเราเลี้ยงลูกพ่อแม่เอานมใส่ปากให้ลูกลูกลูดจากดูดรงเออไม่หวังโอโตวันโตขึ้นเอาข้าวใส่ช้อน ใส่ปากให้โลกโลกมันเกินข้าวเออคอยคอยไปวันโตวันโตเกินไปเลยๆการเจริญเติบโตในมรรคผลในผานก็คือเนี่ยดูดดมอริมักอริมักคือดูนี่แหละอริมักไปแท่คือดูเนี่ยมักคือดูเนี่ยรู้เหตุจะได้เป็นนมเป็นนมแฮะอริมักเมื่อมีมากก็จะต้องมีผลเหมืนเราเรื่องโลกเมื่อมันกินข้าวก็ต้องเจริญเติบโต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 สองขาอย่าไปเหยียบขาเดียวทั้งหมดก็มี์สองขาเหยียบโลกแห่งโลกุตตะละเหยียบโลกแห่งโลกียะไหนๆมันก็ต้องเหยีบยบกันแล้วแหละโลกียะนะทุกๆทุกๆลักลักชังชังข่มร้ายข่มดีนะี่ไปเหยียบสักขาหนึ่งขาหนึ่งก็รู้สึกตัวขาหนึ่งหลงตัวซะลองเค็มดูความหลงกับความรู้นะมันต่างกันไหมนะ ความโกรธควาความไม่โกรธต่างกันไหมความทุกข์ควาความไม่ทุกข์มันต่างกันไหมสำรัจดูแล้วเราก็จะลูกจากเลือกนะถ้าอยู่ในโลกแห่งแต่ความสมมุตันมันเลือกไม่เป็นหรอกมันมืดเหมือนคนอยู่กับความโกรธเขาไม่เห็นความโกรธเขาอยู่กับความทุกข์เขาไม่เห็นความทุกข์หลงพ่อเคยถามเป็นผู้ทุกข์หรือว่าเห็นมันทุกข์เป็นผู้โกรธหรือว่าเห็นมันโกรธเป็นผู้หิวหรือว่าเห็นมันหิว เป็นผู้หนาวหรือว่าเห็นมันหนาวอย่นั้นะออกมาดูบางทีเป็นเป็นกับมันเป็นผู้หนาวโอ้ยหนาวหนาวหนาะวหิวหิวหิวล้อนทุกโกรกโกรนะกโกรกชอบโกรไม่ชอบถล่มเข้าไปอนนี้มันดูมาเหยียบออกมาดูสู้ทั้งหลายจะมาดูโลกนี่ อันวิกฤจตะเกินดุดรัดจะลดที่คนโง่คนไม่มีสติเขาหมกเขาหลงอยู่แต่ผู้มีสติฮะค้องอยู่ไหมนะมันไม่ไดอยู่มันจะเห็นเห็นมันก็เลือกน่ะเพราะว่าที่เห็นมันสุดยอดนะได้เห็นกับตาเนี่ยโอ้มันชัดเจนตาในของเราได้เห็นเห็นมันหลงเห็นมันไม่หลงะเลือกได้ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมควรใช่ได้นี่ แต่ถ้าคนไม่เคยมีความรู้สึกตัวจะไม่เห็นลมหลงก็ไม่เป็นเป็นยังไงไม่รู้เนาะบางทีก็มันเอาชีวิตเราไปกินครึ่งทางค่อนทางไปแล้วคอยจังหวะถอยกลับเถอดพวเรามาถอยกลับมาถมให้บันตื้นกันมาเหมือนตำนานว่า <c oughs> กับหนึ่งกับหนึ่งใส่บาทได้บุญกับหนึ่งรักษาศีลได้บุญ อะไรกับให้ทานบำเพ็ญภาวนาได้มากกับคำว่าว ก, ลกลับมีเทวดาในภูเข็มสุเมนสูงร้อยยดพวงร้อยอมีสักพวงร้อยยดเลื้อยรอยยดยาวร้อยยดอดร้อยปีจะมีเทวดาเอาเม็ดงามาที่งลงในศักนั้น จนเม็ดนาเต็มศัพนั่นเรีว่ากลับหนึ่งนะกับหนึโอ้มันนานเหลือเกินเพราะเราหลงมานานหลงมันนานเหลือเกินกับกับคือผลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปประจงมากลับขึ้นลู่ลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปคองหลงมันลึกมากควาหลงควาโกรธควาลึกมากคองมทุกข์ความอะไมันลึกมากถงลงไปถงลงไป ลู่ลงไปลูท่ทีหนึ่งลูท่ทีหนึ่งเหมือนเทวดาถมถมผมกลับให้มันตื้นขึ่นมามันตื้นขึ้นมาความหลงเลยโอ้ยเราอยู่ในโลกแห่งความหลงอยู่ในโลกแห่งโลหิตะไม่ได้อยู่ในโลกคุตลระ ท, ทั้งทั้งที่ไม่ไกลจากเราเลยอยู่ข้างหลังเรานั่นแหละหรืออยู่ข้างหน้าเราน่ะความลู่สึกตัวผมลู่สึดตัวผมลู่สึดตัว แต่หมอจะไปทำพธิธีรักษาศีลให้ทานไม่ลูกไม่แบบสวนน้ำโอ้มันก็แค่นั้นเองเลยไม่เข้ามาหาตัวลูกสึกตัวนี่ยหละบางทีรักษาศีลก็จะลูกด้วยลูกหรือห ล, ลงด้วยหลงเลยครับว่าตัวเป็นผู้มีศีลแต่จริงศีลมันคืออะไร มันคงไม่ปกติไหมศีลจริงๆมันต้องปกติสิ่งที่ทำให้ปกติต้องเกิดจากสติทางหนั้นไม่ได้เกิดจากตรงไหนเลยที่กายวาจาใจที่มันปกติมันเป็นผลผลของความรู้สึกตัวโดยเรารักษาศีลดยที่ไม่มีสตินะมันก็ไม่บริุทธิมีแต่รูปแบบเจตนาหังนปิโขยิลังวัาน่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 แต่คลิปเราก็ยังทะลุแล้วด่างแล้วคลอยแล้วซีดนะเราไปมีแต่รูปแบบเท่านั้นวนะ่า น, นกกยางมายาสาไยัยอนกกยางแจ้วเลขนกกยางเจ้าเลขทําท่านกกยางเจ้าเลขจะาาหากินที่ไหนก็ไม่ได้แต่เลยได้คิด เ, ออเราจะทําท่าเป็นอ จำสินจะหน่อยแตยืนอยู่กลางน้ําำกบผงปลาก็แหวกไหยมายืนอยู่หนึ่งวันสองวันแล้วนกกระยางก็ยืนอยู่พอดีก็มีปลาลอยแหวกไหวมาเขาเห็นแป็ดเขถามว่าเจ้านกกระยางทำไมจะไม่กินอาหารหรอกออกปลาก็เห็นแป็ดแแปลกถาม ไล่ปลาในนี้นีอย่ามาได้เราเรากำลังจำสินเรากำลังจำสินอยู่เดี๋ยวนี้น ะ, ะจะเกิดความวีบวัดน้ำในบึงในหน้องในคลองจะเหินแห้งหมดฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลปกผงปลาของสัตว์ในน้ำจะต้องตายกันทั้งหมดเราจึงจำสินสักหน่อยเพื่อให้ธรรมชาติมันกลับคืนมา พอปลาได้ยินนนั่นก็ไปเล่ากันกับชูยไปใจไปว่าน้ำในหนองในบนจะแห้งแล้วนกกระยางต้องจําสินเพื่อจะให้ฝนตกลงมาบางทีอาจจะไม่ตกเราทำยังไงไปเพราปลาทั้งหลายจะตกใจนกกระยางเขาพูดว่านั้น ท, าทาน่านท่านในนกกระยางเป็นตัวที่กินปลาแต่ว่านั่นก็ไม่กินปลาลเขาจาสิน ลาตัวใหญ่หญพญาปลาก็มาปรึกษากันมาหานกกยางขอร้องให้นกกยางหน่ยขนพวกเราเป็นลงสู่นา้าสู่บึงสู่ทะเลมีที่เดียวคือทะเลที่ไม่แห้งส่วน้วยไ้หนองกองบึงต่างๆลาระแห้งหมด <c oughs> นกกะยางก็บอกว่ามททีแต่ทะเลปลาทั้งหลายก็มาขอร้องให้นกกรยางหน่ยขนตัวเองไปปล่อยในทะเลนกกรยางก็บอกว่า อเรายังไม่มีเวลาเราจะต้องจำสินก่อนพระฤาษีสวาวาขอล่องนกกระยางให้ขนไปนกกระยางก็เลยตกลงขนไปปล่อยในทะเลเอาไปปล่อยไหนะ่ะนกกระยางนะอ้ <c oughs> าก็มาเข้าแถวให้นกกระยางขนไปปล่อยในทะเลเที่แทงเราไปกินเลยขนไปนเก็ไปจับไปก็กินบินไปง่อยบนตกก้นไม้จะกินอิ่มล้วก็กลับมา าบางทีก็มาเข้าคิวกันเดี๋วเดี๋ยว เ, ยวเต้องจําสินอีกฉันถัวมันจะหิวไปกินเลยที่ไม่ต้องหาสินอะไรอันนี้เรีเจ้าเล่จ้าเล่สินเจ้าเล่ศินหลับจา่าตัวเนี่ยมทีทั่วไปเอเนื้อหน่อยเขาโกรธใจศอกใจปาะใจบ่าทำอะไรไม่ได้การสินเนี้ยถ้าไม่มีสติมันจะเป็นสินไม่ได้ สิ่งนี้ต้องเกิดจากความรู้สึกตัวเกิดจากความรู้สึกตัวทําให้คิดบริสุทธิ์นะเพราะมีส่วนตเอ้เรารักษาสิ่นเนี่ยมันอะไรที่มันเป็นสิ่ง น, <c oughs> นะสีเหลและสุกจิงยติมันมีจริงๆริงไหมสีเหลยและโพก็สัมปทาสีเหลย น, นี่ปุถิงยติมันมีนิพพานไหมมันเย็นสักหน่อยไหมมันเป็นโพโพแพร่แพร่ยังไงถ้ามีสตินะ ถ้ามีสติมันจะเห็นไม่แต่กระทั่งมันคิดมันหลงพอมันคิดไปกันรู้สึกเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ทัดทีนี่รักษาสินแล้วก่อนที่มันจะพูดก่อนที่มันจะทํามันต้องหลงก่อนเี่ะไปผิดสินอ่ะมันต้องหลงก่อนอถ้ามันไม่หลงมันไม่ผิดต่อมันหลงเนี่ยความคิดในความคิดเนี่ยตัวการจะผิดสินก็ผิดอยู่ที่ตรงนี้ เจตนาหั่นตกเขเวศีลังวระธานนี่ก่อนที่มือจะไปอขโมยของเขาไปฆ่าสัตว์ไปลับของไปเราเพื่อติดในตามมันต้องคิดก่อนก่อนที่จะพูดเทศพูดคําหยาพูดเพื่อเชื่อพูดสอนเสียดมันต้องคิดก่อนเห็นผิดจากตํานองของทำคิดปฏิทุจะไล่เขาฟ้องไล่เขาเห็นผิดจากตานองของทำมันต้องคิดก่อนมันต้องหลง ก, ก่อน เราเป็นเล่นการตนลงอนะไรกัให้มันรู้จุดตัวให้มันรู้จุดตัวนะเรามายกมือสร้างจังหวัดเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกุศลมาทําบุญเนะี่ยบุญคือตัวรูนะ้เนี่ยบาคือตัวหลงนะอ่ะให้เราจะมาทำตัวนะมันก็พร้อมแล้วเราเป็นมนุษย์สมบัติ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 สามพันลูกแล้วสามพันหกรอยลูแล้ ว, 3, 600, ลลวถ้าลูกครึ่งหนึ่งก็ยังตอได้อ้ามันขาดไปด 1, 500, แค่สักพันห้าเราก็ลุกอีกพันห้าก็ได้ยังไม่หลงหมดเนื้อหมดตัวพรเราก็มาทําอยู่นี่ตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้ทำมันเดินตั้งใจมามาทำมันแี่สถานที่ของเราอไม่ผู้พาทําเป็นกิจจลักษณะเนี่ยต้องมาฝึกกันนี่ก่อนแล้ว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 ความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะไปฝึกกับอ่ให้มันเปลี่ยนล่ายกลายเป็นดีมันต้องฝึกเอาไว้ก่อนความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าหลักภาวนาเนี่ยเปลี่ยนลายกลายเป็นดีเปลี่ยนชิดกลายเป็นถูกเนี่ยเราต้องฝึกเราต้องฝึกเราได้เปลี่ยนหลายครั้งแล้วมันหลงเที่ยหนึ่งเราก็รู้เที่ยหนึ่งเราได้เปลี่ยนแล้วมีบทเรียนแล้วมันหลงทหเลที่ยหนึ่งเราก็รู้เที่ยหนึ่งมันหลงไปทางไหนเราก็รู้เท่ะหลงไปในทางเวทนา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 ไม่ใช่สู้กัเจ้ากระเจ็บไปอย่างนั้นความหลงมันเอามาทับถมเราเห็นกายานุปัสสนาน <c oughs> มันจะเป็นด่านของความหลงความหลงทางกายก็เมืกายานุปัสสนามีสติเห็นกายเวทนานุปัสนามีสติเห็นเวทนาเวทนาคือคือสุขคือทุกข์ข อ, อ, องกายของใจ ภาวะสุขทุกข์ก็ทำให้คนหลงได้มากมากเหมือนกันทุกข์ก็คือการปวดการเมื่อยการอ ะ, อะไรต่างๆพนียมันทำให้เราหลงได้ภนะาวะสุขภาทุกข์น่ะมันก็เป็นตัวหลงเป็นเหตุที่ทำให้หลงจริงๆแบบนี้เราเอามาเป็นตัวรู้เนี่ยมองคนละมุมกัน ในความหลงม่ความรุ้ยตรงนั้นเราเราสวนตรงนี้ทัวนตรงนี้ด้วยจะให้มันไหลไปกับความหลงทวนไว้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดก่อนที่จะได้ตัดสรูปถาดไหลทวนกระแสของน้ําถ้าจะเปรียบความหลงเหมือนน้ำนะมันไหลไปที่ต่ำสักจิตของเรามันไหลไปทางต่ำแ <c oughs> บบนี้ให้มันไหลขึ้นสูงคือมันทวนอย่าให้มันไหลไปทางต่ํา ความรู้สึกตัวมันทวนนะเนี่ยทวนกระแสนะความรู้สึกตัวนะเป็นการทวนกระแสของน้าน้าคือโอคาห่วงน้าคือโอคาบางทีพระเจ้าพูดตัดเรื่องแสดงทำเรื่องอความทุกข์หรือวันโลกกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนห่วงน้ามันทำให้ทับถมมันทำให้ไหลไปทันตะ เลยทวนเราไหวเลยทวนเราไหวการรู้สึกตัวเป็นการทวนกระแสมันจะหลงไปในความทุกข์มันจะหลงไปในความสุขความร้อนความหนาวความงงหนาวนอนความคิดเนี่ยเอาความรู้กลับมาหาความรู้สึกตัวตัวนี้ต้องสู้ตัองนอนกลับมามันหลงไปเที่ใดดีไปเลยก็มหลงในดีมากมามันจะได้รู้ถ้าไม่มีความหลงมันจะมีความรู้ได้อย่า ถ้าไม่มีความทุกข์มันจะมีความไม่ทุกข์ได้ฮะมองต่อกันฆ่าอจะหมดเนื้อหมดตัวการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ทําได้พอาะมันหลงกัรู้ได้นะรู้ดได้ไหมคนก็รู้ได้ไม่มีใครรู้ไม่ได้ถ้าพองโกรธเราจะหมดตัวกับไปกับความโกรธลองสู้สักหน่อยมองถึงความไม่โกรธ สู้สักหน่อยแม้มันไม่ได้ตั้งใจก็รอรอไว้รอรอไว้เว้นวักไว้เว้นวักไว้เว้นวักไว้จะลอไว้อย่าให้หมดเนื้อหม ด, หมดตัวรอไว้รอไว้ลุ้วไว้ลู้สือตัวลู้สือตัวไปกับลมหายใจไม่โกรธในเวลาโกรธนะอย่ไปคิดเรื่องนั้นจะไปคิดเรื่องนั้นมองในแะง่ดีเอาคิดไปทางอื่นลู้ตัวกับ่ากับม า, บมาโดยเฉพาะการสร้างจังหวัดช่วยได้เยอะหายใจเข้าหายใจออกไปช่วยได้นีย ความโกรธจะไม่ต้องมีอาวุธโช่นะมามีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกตัวลึกๆหายใจออกรู้สึกตัวโอ้ใช่ลมหายใจอลบกับกิเลสลบกับความโลภความโกรธความหลงลองดูให้มันเป็นประโยชน์ใช่อริบทอริบทให้มันเป็นประโยชน์ให้มันรู้สึกตัวด้วยกั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 เราเป็นโลกมะเร็งตัดเต้านมทิ่งทั้งสองค่ะมะเร็งโรครานถึงกระดูกเขาสู้อาศัยความรู้สึดตัวอาศัยเนี่ยกำลังใจสู้ห้าปีชนะชนะมะเร็งเลยนี่ก็จะพาลูกชายมาบวชเตือนหน้าเพราะนั้นเนี่มันมีประโยชน์นะความรู้สึดตัวเนะี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นอมตะเป็นชีวิตจะเป็นอมตะ แล้วก็มีสติลงไปแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการบริหารการยกมวลสร้างจังหวะมันไม่ใช่ของเล็กน้อยนะมันบริหารร่างกายทำไม ห, หน้าอกหัวใจต้นคอระหวังไหลเนี่ยมันเป็นพลังงานทำไ ม, ไมอาจจะปวดสองสามวันเนี่ยอาจจะพดวดพอทำไป 4, สี่ห้าวันไปแล้วเบาวิววิ ว, ว, ว, ว, ว, วเลยคนใจแก่ขนาดไหนก็น พื้นพลังขึ้นมายิ่งเดินจงกรมยิ่งดีใหญ่การเดินจงกรมเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยบริหารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาแล้วนอนค อ, อตกไม่ต้องไปทําแบบนั้นอ่อนแกต่าง ม, มานั่งสร้างแก้วนั่งให้ได้ท่าดีๆเอามีอาสนะโกนั่งด้วยนั่งให้มันท่าดีๆสักหน่อยอตั้งตั้งไม่เรื่อย นั่งไวนั่งไปมันจะอ่อนลงอ่อนลงหลังมาจะกดลงพอมันจะตกลงอพักใหม่เว้นรักไปยืดตัวใหม่ปรับใจใหม่อมยิ้มไหม่สักหน่อยแล้วก็ยืดตัวแล้วก็ยกมืออย่างบรรจงลูจกจตัวตะมันเก่าวันนั้นไปก็ปรับใหม่ปรับใหม่เหมือนเราก็พิพิธดาเราดูหนังสือกับพิพิธดาเรื่อยกับพิพิธดาเรื่อยมันจะใหม่เรื่อยมันจะใหม่อยเรื่อยมันจะใหม่ยเรื่อยให้สนุกสนุกให้ใจดีๆนะอย่าไปอย่าไป อย่าไปกลัวมันหลงอย่าไปอยากได้ความถูกอย่าไปกลัวความผิดอย่าไปอยากได้ความสุขอย่าไปกลัวความทุกข์ไม่ต้องกลัวหรออะไรจะมาก็มาเถอะเราจะรู้อยู่แล้นะเราจะรู้ท่าเดียวมันจะมาอะไรมันจะผ่านมาท่ารเราจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรามีหลักเลยการเคลื่อนไหวเรามีแลับก็เดินรู้สึกตัวรู้สึกตัว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 ออกกวัดไปแลนเดือนแค่เพิ่งกลับมาเนี่ยโ <c oughs> อ, อ้ดีเนาะมากลัมาวัดฝนตรนะโอ้ยพื้นใจนะไฟจะไม่ได้ไหมป่าอตอนม้ก็จะเขียวขึ้นมามาไปมาม่วงก็จะสีดอกออกโลกูกปีนี้ม่เดือนทุกสภาปีนี้ขณะสงฆ์ของเธอมาประชุมกันทั้งหมดทุกวัดร้อยวัด เจา้าคณะอำเภอลองเจา้าคณะอำเภอเจา้าคณะตำบลลองเจา้าคณะตำบลเจาวว้าวัดทุกวัดในเขตอำเภอแจ้งตัวจะมาประชุมเป็นทนีในวันที่ อ, อกที่เก็บพุทธสภาตอนนั้นมาไปจะสุกงอมสวย น, สนะคุณจ๋าเนาะมามาไปสุกเหมือนเลื้อนหลามเต็มต้นเลยอยากให้พวกเรามามากินมาไปวันอ เรียนพืษอสภามาไปสดสวยงามเป็นีอ้ก็ออกกเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็พอแล้วนะตับพร้พ่อมนกันระหังสมมาสมุทโธภะวาสุตังภะวันตัมภิวาัน สวัสดาโอหัตถโมธรรมนัมจันทร์ปติปนุากรตัวสาวกสังโฆสังฆนัม